พยายามฟังเนะ้อฟังรู้เรื่องได้ก็ได้เปรียบนาะพยายามเข้าคนเขาอยู่อเมริกาผู้สาบินมาฟังยังมีนะออยากขี้เกียจนะตั้งอกตั้งใจฟังเขาบางคนขับรถไปทั้งคืนเลยนะอยู่เชียงใหม่ขับรถไปเช้าที่เมืองการอยากฟังมากไปถึงเมืองการพอเริ่มฟังก็เริ่มหลับเลย น่าสงสารการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเราเองเคเรียนรู้ตัวเราเองเราเรียนรู้สิ่งอื่นๆมาเยอะแล้วต่อไปนี้หันมาเรียนรู้เรื่องตัวเราเองบ้างเราจะมาเรียนรู้จนกระทั่งรู้ว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงนะถ้ารู้แจ่มแจ้งแล้วก็จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้น ความทุกข์มันมีสองอันนะความทุกข์กายกับความทุกข์ใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกให้คอยสังเกตอยู่ที่กายคอยสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงความทุกข์ทางกายนะมันเกิดมาเพราะมันมีกายไม่ได้ทำอะไรมันก็ทุกข์หรอกนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนอย่างน้นอย่างนี้นันความทุกข์ทางกาย เขาเรียกว่าวิบากเป็นผลของการที่เราเกิดมามีกายนี้แล้วความทุกข์ทางกายเวลาเกิดขึ้นก็ไปหาหมอนะเจ็บไข้ก็ไปหาหมอหิวข้าวไปทานข้าวง่วงก็ไปนอนแก้ทุกข์ไปเป็นอย่างๆไปส่วนความทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเราคอยสังเกตอยู่ที่ใจเราคอยดูไปซิความทุกข์ทางใจมันเกิดได้ยังไงคอยดูเราจะรู้เลยความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจาก ต้องเผลอก่อนต้องเผลอต้องใจลอยก่อนนะถ้าไม่เผลอไม่ใจลอยมีความรู้สึกตัวรู้เนือ้อรู้ตัวนะความทุกข์ทางใจจะเกิดไม่ได้เลยความทุกข์มันเล่นจีเผลอเท่านั้นนะพอเราเผลอเนี่ยใจเราจะไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพอเราไปอยู่ในโลกของความคิดคราวนี้นะมันเริ่มให้ค่าแนละ้วอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดนะีใจเข้าไปยึดถือแล้วใจก็ค่อยทุกข์ขึ้นมา พฉะนั้นการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนาเนี่ยท่านถึงสอนบอกหลักของการเจริญวิปัสสนาให้รู้ทุกเนี่ยบางทีก็สอนด้วยสำนวนอย่างนี้ก็มีอะไรคือทุกก็กายกับใจเพราะฉะนั้นวิปัสสนาต้องรู้กายรู้ใจนะวิปัสสนาจะไปรู้ของอื่นไม่ได้ไม่ฉะนันนั่งแล้วไปเห็นเทวดาแล้วบอกจะทำวิปัสสนาอย่างนี้ไม่ได้นั่งคิดแล้วไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยนะความคิดไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแล้ว ความคิดเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาัมไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่รู้กายรู้ใจแต่ถ้าเราคิดไปแล้วเกิดความสุขนะมีความสุขกายมีความสุขใจเกิดขึ้นะนี่เรารู้ทานอย่างนี้ใช้ไดนะ้หรือคิดไปแล้วเกิดกุศลคิดไปแล้วเกิดอกุศลรู้ว่ามีกุศลรู้ว่ามีอกุศลอย่างนี้ใช้ได้เพราะนั้นไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดง่ายป้อม จิตใจไปทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้แป๊บเนี้ยเล้วมันหลงไงนะมันหลงมาไปเลยเลยก็เลยไม่รู้มันไปไหนนะคณที่ใส่แว่นเนี้ยผู้หญิงเนี้เห็นไมมันหนีเที่ยวซึ่งซึ่งหน้าดูออกไหมอ ะ, อะไรนะไม่ทันไม่ทันถูกแล้วห้ามทันนะ ทำไมถึงบอกว่าไม่ทันอ่ะถูกแล้วเพราะว่ากิเลสมันจะเกิดเนี่ยสติมันเกิดไม่ได้มันเกิดพร้อมกันไม่ได้งั้นหลงไปก่อนหลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็รู้ว่าอ้าวเผลอไปแล้วหลงไปแล้วเนี่ยใช้ได้อย่างนี้ถูกต้องเลยแต่ถ้าคอยนั่งจ้องกลัวว่ามันจะหลงนะนั่งจ้องทุกวันทุกวันนั่งจ้องไว้ใช้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าสอนให้เราตามรู้หมายถึงว่าให้มันเป็นไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ แต่ว่าตามให้มันเร็วนะไม่ใช่ตามห่างกันสามวันนะเมื่อวันซื่อ น, นั้นโกรธวันนี้รู้ออย่างนี้ใช้ไม่ได้นะต้องเนี้ยเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกตัวเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกตัวอย่างนี้ใช้ได้นะเนี่ยป้อมไปทําอะไรทราบไหมตอนเนี้ยฮะฮะไม่ทราบจริงๆรงเหรอ <c oughs> เนี่ยดูออกไหมเราเข้าไปสังเกตมันดูออกไหมพยายามจะเข้าไปดูมันะ่ะ พอมดูออกไหมพยายามจะดูเพรู้ให้ถันนนะคุณนั่นเผลอละรู้สึกไหมเราดูเขา้าเร า, เราลืมตัวเราเองเห็นไหมนึกออกไหมเราเห็นคนอื่นแล้วทำอะไรเรารู้หมดเลยแต่เราลืมตัวเราเองนะถ้าลืมตัวเองเมื่อะไหร่ทำมิปัสนาไม่ได้มิปัสสนาก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ต้องทำอะไรเยอะนะคอยรู้สึกตัวไว้เดี๋ยวก็จะเห็นกายเห็นใจอย่างที่เขาเป็นอะไร เราจะเห็นม่าใจของเรานี่ยนะวอกแวกทั้งวันเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายหนีไปเที่ยววันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งหนีแวบบแวบบแวบบอย่างตะกี้ขุนนั่นรู้สึกไหมมันเผลอไปแว บ, บหนึ่งนะใจเราเผลอแวบไปเรารีบรู้ไวๆเออเผลอไปแล้วไม่ห้ามหนีไปคิดแล้วทราบไหมหลวงพ่อบอกแล้วรู้ไหม เออไม่ใช่ว่าเวลาหลวงพ่อบอกเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าไม่เกลี้มันเผลอไปอย่างนี้ใช้ได้นะเนี่ยค่อยๆหัดไปอย่างเนี้ยหัดรู้จักไปตีละอย่างทีละอย่างต่อไปพอเรารู้จักสภาวะทำเยอะแยะแล้วก็พอสภาวะไหนเกิดนะสติเราเกิดเองคือเราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้ทันมันจิตใจก็จะตั้งมั่นอยู่กันเน้อกับตัวอัตโนมัตินะเนี่ยผมแอบไปทําอะไรทราบไหมทํำหลายอย่างต่อกันดูออกไหม ไปสังเกตอยู่แล้วก็หลุดออกไปใจลอยนี้ไปเ น, นี่ยผมหัดรู้ไปเวลาเราปฏิบัติเราหลงไปสังเกตนี้หลงนะหลงเข้าไปสังเกตก็รู้ใจลอยหลุดออกไปก็รู้คือเป็นยังไงก็คอยรู้เรื่อยๆการหัดตามรู้นี่แหละนะเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐา น, นการเจริญสติปัฏฐานมีสีอย่างการตามรู้กายชื่อภาษาแขกปกายานุปัสสนา มันมาจากคำสามคํารวมกันนะคำว่ากายคําว่าอนุคําว่าปัสนาปัสนาแปลว่าการรู้การเห็นอนุแปลว่าตามอย่างคําว่าอนุชาน้องชายเนี่ยแปลว่าผู้เกิดตามมาทีหลังอนุภรรยานี่ยภรรยาที่ตามมาทีหลังปรัสนาว่าการรู้อนุแปลว่าตามกายก็กายนี่แหละตามรู้ตามเห็นกายหมายถึงว่ากายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่แกล้งดัดแปลงว่ต้องหายใจท่านี้ต้องเดินท่านี้ต้องนั่งท่านี้นั้นไม่ใช่กายานุปนัสสนาเรารู้สึกไหมร่างกายเรากระดุกกระดิกตลอดเวลารู้สึกไหมบุ๋มพยักหน้าล้เมื่อกี้รู้ไหมเมื่อกี้พยักหน้าแบบใจลอยเข้าใจไหมแต่พเราพยักหน้าปุ๊บถ้าเราเคยทํากายานุปัสสนาเราเคยรู้การเคลื่อนไหวร่างกายนะพอเราเผลอๆพอเราพยักหน้าคกึบเนี้ยสติเกิดเองเลย รู้ทันอ๋อเมื่อกี้เผลอไปแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกตัวนะทำกายานุปัสนาแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวเกิดสติขึ้นมาทำเวทนาล่ะหัดําดูไปความสุขเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้นะความสุขกายสุขใจความทุกข์กายทุกข์ใจความเฉยๆทางใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้หัดรู้สึกหัดตามรู้แต่มาพอความทุกข์ใจเกิดขึ้นเนี่ยสติเกิดเองรู้ว่าทุกข์ละ หรือความสุขเกิดขึ้นสติเกิดเองรู้ว่าสุขแหลนะเราฝึกเวทนานุปัสสนาก็เพื่อให้สติเกิดขึ้นให้เกิดรู้สึกขึ้นมาเห็นไหมอันเดียวกันจะฝึกกายฝึกเวทนาหรือฝึกจิตตานุปัสสนาหัดดูจิตเห็นจิตเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างหัดดูไปเรื่อยๆเลยต่อมาพาออกุศลเกิดสมมติว่าคุยกับเพื่อนอยู่แล้วมันขัดคอเราเราชักโมโหลแล้วพอความโมโหเกิดปุ๊บนะสติเกิดเองเลยเห็นแล้วความโกรธเกิดขึ้น อย่างนี้สติที่เกิดขึ้นเองอย่างนี้สติตัวจริงเมื่อเราหัดตามรู้กายหัดตามรู้ใจไปเรื่อยๆอยากเข้าไปแทรกแซงอยากเข้าไปบังคับให้ตามรู้เอาตามรู้พยักหน้าแล้วทราบไหมตอนที่พยักหน้าหนีพิคิดทราบไหมนะเพราะงั้นบุมเนี่ยกระดูกกระดิกเนี่ยนะแล้วบุมคอยรู้สึกไปนะใช้กายก็ได้ใช้จิตก็ได้ทำแล้วก็สติเกิดเหมือนกันเปียบเลยไม่มีอะไรต่างกัน แล้วแต่จริตนิสัยคนคนไหนเป็นพวกไม่ชอบคิดมากไม่ชอบคิดมากชอบอยู่อย่างสุขๆุสงบสงบไม่อยากคิดมากเนี่ยให้รู้กายไว้คนไหนมีนิสัยชอบคิดมากนะให้รู้จิตใจตัวเองไว้เพราะว่ากายานุปัสสนาแล้วก็เวทนานุปัสสนาการรู้กายการรู้ความสุขทุกเนี่ยเหมาะกับพวกตัหาจริตกตันหาจริต พวกรักความสุขรักความสบายรักความสงบนะแล้วพวกชอบคิดมากเขาเรียกพวกทิฏฐิจริตนะทิฏฐิจริตพวกชอบคิดมากมีความสุขที่จะได้คิดมีความสุขที่จะได้เถียงมีความสุขที่จะหานู่นทำนี่ทำยุ่งไปทั้งวันเลยเนะีนะ่ยพวกนี้พวกทิฏฐิจริตพวกนี้เหมาะกับจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาแล้วคุณหมอสิอริพงษ์ทราบไหมควรจะใช้กรรมฐานอันไหนนะ จริงๆแล้วคำสอนในศาสนาพุทธนั้นบริบูรณ์มากเลยมีเหตุมีผลมากเลยถ้าจิตชนิดนี้นะมีจลิตชนิดนี้จะทำสมถะให้ทำด้วยกรรมฐานอย่างนี้นถ้าจะทำมิปั ส, สนาเนี่ยมีสองจลิตตันหาจลิตกับทิฏฐิจลิตแต่ถ้าทำสมถะนะมีหจลิตราคะจริตโทสะจริตโมหะจลิต พุทธจริตวิตกจริตศรัทธาจริตมี6อัน6อันนี้เอาไว้เลือกว่าจะทําสมถะแบบไหนแล้วสงบง่ายอย่างคนไหนขี้โมโ ห, เ, โมโหเนี่ยโทสะจริตขี้โมโหเนี่ยให้หัดเจริญเมตตาไว้มองคนอื่นในแง่ดีหัดมองคนอื่นในแง่ดีไปเรื่อยเลยเจริญเมตตาไปจิตจะสงบง่ายนะคนไหนจิตใจมีราคะมากนะมีราคะมากก็ให้พิจารณาอสุภาเนี่ย คิดถึงแต่สิ่งที่มันไม่สวยไม่งามอย่างร่างกายเป็นของสกรปรกเน่าออเปือยอนะไรนี้จิตใจก็สงบง่ายนะอันนี้จริตพวกนี้เอาไว้ทำสมถะนะจริตที่เอาไว้เลือกว่าจะทำวิปัสสนาแบบไหนจะรู้กายรู้เวทนาหรือรู้จิตรู้ธรรมนะี่มันมีสองอย่างครไม่ใช่มีหกนะงั้นเราเราสังเกตตัวเราเองว่าเราเป็นคนประเภทไหนนะคนชอบคิดมากไหม หรือเป็นคนไม่ชอบคิดมากเอาง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบคิดมากนะคอยรู้ร่างกายมันกระดุกกระดิกนะ่ยคอยรู้มันไปเรื่อยๆนะพยักหน้าก็รู้ไปนะยกไม้ยกมือนะมันกระดุกกระดิกแล้วก็ค่อยรู้นะไม่ใช่จ้องไว้นะไม่ใช่ปุ่มเอาละต่อไปนี้นั่งเฝ้ากายเอาละมันจะพยักหน้าละพยักละอย่างนี้ไม่ตื่นนะยิ่งหลงหนักเข้าไปอีก นั่นจะไปกำหนดมือกาหนดเท้ากาหนดท้องกาหนดลมอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่มีปรัสนามีปรันาเนี่ยกายมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น น, ะนีคนไหนชอบคิดมากให้สังเกตใจใจวักแวกวกแวกทั้งวันนะเดี๋ยวใจก็สุขเดี๋ยวใจก็ทุกข์เดี๋ยวใจเป็นกุศลเดี๋ยวจิตใจเป็นอกุศลเดี๋ยวจิตใจวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจ วัแ บ, บแบวับแบไปเรื่อยให้คอยรู้ทันมันอย่างหลวงพ่อเนี่เป็นพวกคิดมากเขาเรียกเป็นพวกทิฏฐิจริตพวกคนเมืองอ่ะส่วนมากเป็นทิฏฐิจริตนะไม่ชอบคิดงั้นเวลาหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลเปีสองห้ายิบสามกุมพาไปหาท่านครั้งแรกเลยกราบหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่บอกเลยดูจิต บางท่านจะไปเรียนกับหลวงปูด่ดูนนะบอกไปดูผมดูผมเส้นเดียวเนี่ยที่ท่านสอนตามจริตถ้าไม่ได้มีหลักสูตรสําเร็จรูปว่าทุกคนต้องดูจิตนั่นแต่ละคนครูบาอาจารย์จะสอนต่างๆกันตามจริตของเราถ้าครูบาอาจารย์รู้จริตนะเราก็เรียนง่ายหน่อยถ้าครูบาอาจารย์ไม่รู้เราก็ต้องทดลองดู เรารู้กายแล้วก็สติเกิดบ่อยหรือว่าเรารู้จิตแล้วสติเกิดบ่อยสังเกตนสังเกตตัวเองอย่างหลวงพ่อคิดมากนะความจริงรู้จักวัดป่ามาตั้งแต่เจ็ดขวบแนละ้วเข้าวัดอโศการามท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีท่านยังอยู่ตอนนั้นเคยได้ยินคำสอนให้พุทโธพิจารณากายตั้งแต่เด็กเลยเสร็จแล้วพอพุทโธหรือกำหนดลมหายใจจิตสงบแล้วพอถึงขั้นพิจารณากายนะ รู้สึกไม่สนใจเลยไปพี่นามันทำไมไม่เห็นนีอะไรเลยรู้สึกเล็กนิดเดียวไกายมีขอบเขตที่จะเรียนรู้นิดเดียวเองเี่ยมันไม่พอกับความคิดมากพอมันเจอหลวงปู่ดูลัทธให้ดูจิตตัวเองเอ๊ะมันน่าดูจังเลยทําไมเราตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นจิตใจตัวเองมาหัดดูโอ้จิตใจเรานี่ทํางานได้ต่างๆนานานะนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ แต่และ ว, วันแต่และ ว, วันไม่เหมือนกันแต่และเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างเมื่อวานเล่าบางคนไม่ได้ฟังหลวงพ่อปฏิบัติอยู่ในเมืองนั่นแหละนะไม่ได้ว่าไปนั่งอยู่ในป่ารับราชการอยู่สภาวความมั่นคงงานเครียดมากเงานคิดทั้งวันนะเครียดไม่แพ้คุณวัฒนานะงานต้องคิดเยอะแยะเลยวันวันหนึ่งเราก็หัดปฏิบัติด้วยการรู้ใจเรานะอย่างตื่นมาวันจันท์เนี่ย ใจมันขี้เกียจอย่างไรใจมันแห้งแรงพอตื่นมาวันศุกร์้วมันสดชื่นพวกนักเรียนรู้สึกไหมวันจันทร์ตื่นให้มารู้สึกยังไงกับวันศุกร์ตื่นให้มารู้สึกไม่เหมือนกันรู้สึกไหมวันศุกร์ไหมมันสดชื่นกว่ากันพอจะนึกออกไหมพวกนักเรียนทั้งหลายหรือเด็กเดี๋ยวนี้เขาเรียนกี่วันเนี่ยเรียนห้าวันเหรอรู้สึกไหมวันศุกร์มันสดชื่นกว่าวันจันทร์เนี่ย แต่ยกเว้นนะบางคนอยากไปเล่นกับเพื่อนแล้วรู้สึกวันจันทร์มันสดชื่นกว่าวันศุกร์แล ว, วันศุกร์เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเงาแล้วต้องอยู่กับพ่อกับแม่น่าเบื่ออยู่กับคนแก่อะไรอย่างนี้แล้วแต่คนนะแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยความรู้สึกเราเป็นไงนะั้นเราคอยรู้ไปเรื่อยเราอยากให้คนอื่นรู้ใจใช่ไหมอย่างสาวๆเนี่ยอยากมีผู้รู้ใจใจตัวเองยังไม่ค่อยจะรู้เลยจะไปให้คนอื่นเขามารู้นะหัดรู้ใจตัวเองสะกก่อนนะ ใจของเราหนีเที่ยวทั้งวันวักแป๊แป๊บแป๊บทั้งวันเราไม่เคยเห็นเลถ้าเรารู้ใจตัวเองได้อีกหน่อยเราก็รู้ใจคนอื่นได้สาวๆควรจะเรียนไว้นะวิชาดูจิตใจตัวเองนะถ้าเราดูจิตตัวเองชำนิชำนาญ น, นะไอ้หนุ่มมันจะมาหลอกเราไม่ได้กินหรอกนะมันยังไม่ทนันอ้าบ ป, ปากก็เห็นลิ้นไก่ก่อนอีกนะคอยหัดของเราไว้แต่หนุ่มๆก็หัดแล้วก็ยอย่าไปหลอกสาวนะนะเดี๋ยวรู้ว่าสาม ชอบอะไรอะไรรู้จักใจลอยไหมรู้จักไหมเราไปดูเขาลืมตัวเองนะหัดไปงี้ยหัดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่จับผิดนะหัดให้ดูบางคนบอกโอ้ยพราอะไรมันนั่งจับผิดโยม <c oughs> รู้สึกไหมจิตใจตอนนี้สบายรู้สึกสบายสบายกว่าเมื่อกี้นะพอหลวงพ่อพูดเล่นแล้วรู้สึกสบายไหม ให้หัดรู้ความรู้สึกความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงตลอดเลยพอหลวงพ่อพูดเรื่องเคร่งเครียดนนะัในใจชักทื่อๆขึ้นมาแข็งๆหนักๆขึ้นมาหัดรู้ไปจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะทำอะไรทราบไหมเมื่อกี้เนี่ยส่งใจไปดูเข้าใจไหมอยากดูแล้วก็เลยส่งใจไปดูจิตของตัวเองนะอย่าไปชํำเลืองมันนะหาอย่างไงก็ไม่เจอหรอก ใครจะถามอะไรเชิญนะวันนี้ยังขี้เกียจเรียนแนละวันหน้าอยากเรียนต้องตามไปเมืองกาลนะลําบากกว่ากันเยอะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งไม่ทราบคุณน้อยรู้จักไหมชื่ออาจารย์หลวงตาน้อยอยู่ภูสิงห์หลวงตาน้อยเข้าไปกรุงเทพได้ญาติโยบก็ามาเรียนท่านก็ว่าอา้าวตั้งใจเรียนนะวันนี้ย่ามาถึงปากควายแนละ้ว ย่ามาถึงปากควายแล้วควายยังไม่กินอีกนะหัดรู้สึกไปนะพอจะสังเกตออกไหมความรู้สึกของเราเปลี่ยนเรื่อยๆหัดหัดสังเกตไปเรื่อยๆสบายๆนะเรียนกรรมฐานไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเคร่งเครียดอ่ะแล้ว อก็อย่างนั้นน่ะนะเขาเรียกว่าผีกลัวแสงสว่างมีใครมาคอยรู้คอยดูเราล้วก็คอยระวังนะธรรมดานะธรรมดาแต่ยังเก่งนะบางคนอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่เกรงลูกเดียวเลยปฏิบัติไม่ได้ะเมื่ั้นไม่กลัวเนี้ยดีแล้อย่าไปกลัวหลวงพ่อไม่กลัดหรอกอย่าอยากนะง่ายๆเลย พ อ, พอกลับบ้านไปอยู่คนเดียวแล้วอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัตินี่ปฏิบัติเสร็จแล้วง่ายขนาดนั้นลนะหรือเกิดงงนะพวกเราบางคนฟังหลวงพ่อเอ๊ะงงจะปฏิบัติยังไงดีเนี่ยสงสัยจังเลยงงงงรู้ว่างงปฏิบัติเสร็จแล้วนะรู้ว่าอย่างที่ใจมันเป็นนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ว่าต้องทำอะไรลึกลับซับซ้อนเลยง่ายงง่ายชายชหนุ่ม ใจลอยรู้จักไหมเออเด็กบุรีรัมย์ยังรู้จักใจลอยนะเด็กกรุงเทพมันไม่รู้จักคำนี้แล้วไม่รู้ว่าเขาใช้คำอะไรตอนนี้ภาษามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆรยรู้จักไหมใจลอยอแต่ว่าอยู่ได้แว บ, บเดียวสังเกตออกไหมอย่างพอหลวงพ่อจี้ปั๊บเนี่ยเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่อยู่ได้แว บ, บเดียวเดี๋ยวก็ใจลอยใหม่ดูออกไหมนั่นแหละ ถ้าดูให้เป็นนันจะเกิดปัญญานะคือรู้ว่าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเผลอนะไม่ได้เจตนาจะเผลอมันก็เผลอบังคับมันไม่ได้เผลอบ่อยดีหลวงพ่อบอกแล้วเมื่อวานมาเรียนรออึเปล่าเออเผลอบ่อยดีนะอย่าเผลอววลาครั้งบอกแล้วพวกที่ปฏิบัติไม่เป็นเผลอววลาครั้งเดียวคือตั้งแต่ตื่นจนหลับอ่ะไม่เคยรู้สึกเลย ก็รู้รู้ไปว่าเกิดโทสะแล้วนะโกรธตัวเองแล้วเนะนี่ยกิเลสเกิดอีกตัวหนึ่งรู้ให้ทันหัดรู้สักรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆนะเช่นรู้สึกตำหนิตัวเองแล้วนะให้รีบรู้ทันนะนี่ก็กิเลสนะบางคนคิดว่าดีนะรู้เฉยๆนะจะเห็นเลยว่าใจเราเปลี่ยนทั้งวันรู้สึกไหมเดี๋ยวก็ตำหนิตัวเองเดี๋ยวก็ไปตำหนิคนอื่นต่อนะ นะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไรรู้เฉยเฉยรู้ไปเรื่อยๆตอนหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะตื่นมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยหัดรู้ความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆลำคาญ ร, รู้ว่าลำคาญนะดูไปดูไปนะมีสองตัวนะแล้วอีกตัวเบื่อนะเบื่อรู้ว่าเบื่อเบื่อนะพวกลาคาญนะอีกตัวหนึ่งคือสงสัย สองตัวที่หลอกเราได้เฉียบขาดที่สุดเลยราคาโทสะธรรมดานี่หลอกเราไม่ค่อยได้แต่พอเบื่อดูไปเรื่อยๆแล้วเบื่อเลยขี้เกียจ ด, ดูเลิกดูนะนะสอตรูร้ายเลยของนักดูจิตนั้นก็เบื่อกล้าสงสัยสงสัยเกิดขึ้นแทนที่จะรู้ว่ากําลังสงสัยนะยิ่งคิดอุตรลุ่เลยนะเพราะฉะนั้นฟังหลวงพ่อพูดนะแล้วงงสงสัยจังเลยว่าจะปฏิบัติได้ยังไงนะเนี่ย รู้ลงไปเลยรู้ลงไปที่ใจตัวเองนี่กําลังสงสัยอยู่นี่ปฏิบัติแล้วนะจิตใจมีความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยจิตใจมีความโกรธรู้ว่าโกรธโลภรู้ว่าโลภนะจิตใจเป็นสุกรู้ว่าสุขทุกรู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะหัดรู้ไปแค่นี้นหะไม่เห็นยากอะไรเลยนะหัดรู้บ่อยๆหลวงพ่อเนะี่ยใช้หลักเดียวกับหลวงพ่อชาเลย คือขยันก็ดูขี้เกียจก็ดนะูวันนี้ขี้เกียจปฏิบัติดูเออมันกําลังขี้เกียจ ด, ดูไปหลวงพ่อชาท่านก็สอนนะขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัตินะเจเจเสียงเชิญรู้แล้วอยากเข้าไปแทรกใส่นะ่ะก็สบายไปเลยนะเรื่องอะไรจะให้ลําบากอะ่ะเจเเสียงปฏิบัติมันก็ต้องสบายสิ นะอืมอืมเอ่อถ้าถูกต่อยนะโกรธขึ้นมานะแล้วค่อยไปดูไอ้คนที่เรามันต่อยเราเนี่ยไม่หายหรอก <c oughs> นะแต่ถ้าดูใจตัวเองอ๋อมันโกรธเดี๋ยวมันหายทําไมมันหายต้องรู้ก่อนว่าความโกรธเกิดจากอะไรความโกรธไม่ได้เกิดจากถูกต่อย ความโกรธเกิดจากความคิดนะพอมันต่อยปุ๊บนี่นะถูกต่อยเราก็คิดอ๋อให้มันแน่สักแค่ไหนมาต่อยเราคิดอย่างนี้เดี๋ยวก็โกรธนะในขณะเดียวกันราคะนะการมาราคะก็เกิดจากกามาวิตกคือการคิดอย่างเราคิดถึงสาวคิดถึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็การมาราคะก็เกิดเว่านะ ม, มันเกิดจากความคิดท่านถึงสอนสัมมาสังคัปปะไวนะ้ไม่มีกามาวิตกไม่มีพยาบาทวิตก แล้วนะถ้ามีนะราคาโทรศัพท์เกิดแต่ถ้าปั้มถูกชกปุ๊บนะสิ่งแรกที่ควรทำคือหลบให้ทันนะนะถ้าหลบไม่ทันถูกชกโกรดลัววโกรดนะแล้วก็อย่าไปยืนให้เขาชกนะไม่ใช่แล้วแต่เวรแต่กรรมงั้นโง่นะ <c oughs> <c oughs> ต้องหนี <c oughs> ห, นหนีไปไ เอาแค่รู้นะแล้วถ้าปั้มเห็นความกโกรธเกิดขึ้นที่ใจนี่นะอยากแก้แค้นเอออยากแก้แค้นรู้ว่าอยากแก้แค้นะคกโกรธรู้ว่าโกรธนะรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยว่าจิตเมื่อกี้ไม่โกรธจิตดวงนี้โกรธนี่นะพอเรารู้ว่าโกรธไปเรื่อยๆจิตตะกี้โกรธจิตตอนนี้ไม่โกรธอีกแล้วเนะี่ยให้ดูไปอย่างเงี้ยนะความกโกรธจะเกิดห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นะดูลงไปทุกอย่างห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับตัวเองไม่ให้โกรธนะแต่ว่าพอโกรธแล้วก็รู้ทันเห็นเลยอ้อจิตใจมันจะโกรธนะห้ามมันไม่ได้แต่ว่ามันจะโกรธตลอดการได้ั้ยก็ไม่ได้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกนะอาคือเงี้ยการหลักของการดูจิตใจตัวเองหรือกระทั่งรู้กายเนี่ยนะมี3อันการรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมีหลัก3มสเต็ป สเต็ปที่หนึ่งเลยก่อนจะรู้เนี่ยป้อมอย่าตั้งท่าสังเกตไหมเราชอบตั้งท่าก่อนจะรู้พอคิดถึงการปฏิบัติเราต้องทําคลึมๆอะ่ะแล้วคลึมได้ที่แล้วก็คอยดูอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ถูกหลอกนะอันที่สองระหว่างรู้อย่าถลําลงไปรู้สังเกตไหมเวลาเรารู้อะไรเนี่ยใจเราชอบไหลลงไปอยู่ตรงนั้นนะให้รู้ทันว่าใจเราไหลไปแล้วจิตเราไหลไปเนี่ยเรียกว่าจิตเราขัดสัมมาสมาธิขัดความตั้งมั่น อย่างตอนนี้ไหลไปคิดรดับไหมใจมันไหลไปป้้มรู้ว่ามันไหลแค่รู้ว่ามันไหลก็พอแล้วไม่ต้องไปดึงคืนนะออหมายความว่าพอรู้แล้วเนี่ยนะขั้นสุดสเต็ปที่สามก็คือรู้แล้วไม่ทำอะไรต่อนะรู้แล้วเช่นรู้ว่าจิตไหลไปก็ไม่ดึงคืนรู้ว่ามีความโกรธก็อย่าไปอยากละมันนะรู้ว่ามีความสุขก็อย่าไปคิดรักษามันนะรู้ว่ามีความทุกข์ก็อย่าไปเกลียดมันนะ ให้รู้แล้วจบลงที่การรู้ไม่ทำอะไรเติมกว่านั้นอ๋อได้สินะถ้าเราจะเดินจงกลมทาสมาธินั่นก็คือทำสมถะใช่ไหมต้องการให้จิตสงบไม่ใช่เรื่องทําสมาธินะเราต้องแยกสับให้ถูกการทําสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยคู่กันศีล ส, สมาธิั ญ, ญาเนี่ยเป็นกลุ่มของธรรมะอีกอันหนึ่ง เพราะงั้นสมาธิเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าจิตของเราตั้งมั่นได้ไม่ต้องไปนั่งทําสมาธาก็เกิดสมาธิได้คนละอันกันนะสมาธิกับสมาธินี่ถ้าเราต้องการทําความสงบวิธีทําความสงบเพื่อเพื่ออะไรต้องรู้ชัดพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งมีสองอย่างคือสมาธิและวิปัสสนาแต่ท่านบอกไว้นะว่าควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง ไม่ใช่ควรทำดุยดยไปทรงเดชพวกเราพอคิดถึงการปฏิบัติรู้สึกไหมหายใจลนะไม่รู้เลยว่าทำไปทำไมการว่าทำด้วยปัญญายิ่งเนี่ยหมายถึงว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ชัดยกเว้นอยกตัวอย่างเช่นเราจะทำสมถะเนี่ยเรารู้แล้วเราจะทำสมถะสมถะทำไปเพื่ออะไรเพื่อสงบเพื่อพักผ่อนนะทำอย่างไร เราก็มารู้ว่าจิตที่มันไม่สงบจิตที่ไม่ได้พักผ่อนจิตที่ทํางานมากๆเนี่ยมันมีลักษณะยังไงนะจิตที่มันไม่ได้พักผ่อนคือจิตที่มันวิ่งวิ่งไปจั บ, cia, จบา eh. อารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีวิ่งเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆเลยมันเหน็ดเหนื่อยนี่จิตไม่ได้พักผ่อนเพราะฉั้นถ้าต้องการให้จิตพักผ่อนก็ให้มันมารู้อารมณ์มันเดียวแทนที่จะให้เปลี่ยนอารมณ์ไปอุตลุ่นนะเั้นหลักของการทําสมถะก็คือให้มารู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่อง นีเวลาเราจะรู้อารมณ์มันเดียวแล้วจิตจะสงบง่ายนี่มีเคล็ดลับอยากเรียนไหมเคล็ดลับหรือจะไปหาเ อ, าเอง อ, อยากเรียนนะโทนักเรียนรุ่นนี้เนีนชอบให้เฉลยข้อสอบนะอ๋อมีเหตุผลนะเอาจะบอกให้หลักของการทําสมถะเนี่ยถ้าต้องการให้สงบง่ายสงบเร็วนะอย่าอยากสงบนะอย่าอยากสงบ ให้รู้ไปรู้อารมณ์เล่นเล่นรู้จักรู้เล่นเล่นไมอย่าซัวหายใจรู้ลมหายใจรู้เล่นเล่นนะอย่าไปตั้งใจเนะนี่ยหลวงพ่อพุทธนะท่านสอนไหมนะบอกหลักเคล็ดลับของการทําสมถะนะคืออย่าจงใจนะให้ทําเล่นเล่นถ้าเคล็ดลับของการทํำมิปัสสนานะอย่าคิดเอาให้รู้เอานะ ไม่เหมือนกันเพราะฉั้นถ้าเราต้องการพักผ่อนเราจะมาให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวก็ได้อะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยจิตไปอยู่แล้วจิตสบายคนไหนหายใจแล้วรู้สึกสบายก็หายใจไปทำไปเพื่อความสุขเพื่อความสบายไม่เกี่ยวอะไรกับการเจริญปัญญานะคนละเรื่องกันนี้เป็นเรื่องการพักผ่อนคนไหนพุโทโธพุโทโธแล้วจิตใจสบายก็ไปพุโทโธเอาได้พักผ่อน เฉั้นสมถะเนี่ยทำแล้วได้พักผ่อนส่วนมิปัสนาเนี่ยครูเจ้าสอนต้องทําด้วยปัญญายิาอีกเราจะทํามิปัสนาทําเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานะเพื่อจะให้เห็นความจริงสมถะทําไปเพื่อพักผ่อนมิปรัสนาเพื่อทําไปเพื่อให้รู้ความจริงเกี่ยวกับร่างกายจิตใจของเราเองว่าไม่ใช่ตัวเรานะนี้ทํำยังไงจะรู้ความจริงนะ ก็รู้ไปสิว่าจริงๆมันเป็นยังไงอย่าไปคิดเอาอย่าไปเพ่งเอาอย่าไปบังคับเอานะคอยหัดรู้หัดสังเกตไปเรื่อยอย่างจะรู้จิตใจเราเนียนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่เรียกว่าหัดรู้ไปนะจะรู้กายก็นั่งอยู่ก็คอยรู้สึกตัวไปอ่ามันคันแล้วคันแล้วเกาอาขยับมานอีกแล้วอาเมื่อยแล้วนะคอยรู้ไปเรื่อยๆเพราะงั้นจะทาสมถะ ก็ต้องทำด้วยปัญญาอันยิ่งรู้ว่าเราจะทำสมถะเพื่อสงบวิธีธรรมก็คือไปะระลึกรู้อารมณ์ันเดียวอย่างต่อเนื่องะระลึกรู้อย่างสบายๆอย่าอยากสงบเว้นเราจะนอนเนี่ยอยากนอนหลับไม่หลับนะถ้านอนเล่นแล้วหลับง่ายรู้สึกไหมกลางวันไม่ไมกะนอนหลับ อ, อยู่ในที่ทำงานาหลับตาพักผ่อนเล่นๆสักหน่อยง น, นสี่โมงเย็นหน่กลางคืนะ่ะ <c oughs> <c oughs> อยากหลับโอ้ไม่หลับดิ้นไปดิ้นมาอยากหลับยิ่งโมโหเลยยิ่งโมโหยิ่งไม่หลับเลยนะงั้นอย่าอยากทำเล่นๆแล้วหลับง่ายทําเล่นๆแล้วสงบง่ายนะแต่วิปัสสนาณานะรู้อย่างที่มันเป็นนะรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นงั้นะสมธาธกาับสมาธิกรรางกันนะสมาธิเนี่ยต้องมีอยู่ตลอดในเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นตลอดเลย จิตที่มีสัมมาสมาธิคือจิตที่รู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตไม่ไหลไปไม่หลงไปจิตของเราชอบหลงไปนะช่องทางที่จิตหลงก็มีแค่หกช่องนะแต่เราตามไม่ทันสักทีหนึ่งคือนหะลงไปทางตาหลงไปทางหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะหลงทางใจทำงานได้เยอะคุณน้อยดูออกไหหลงทางใจทำงานได้สารพัดเลยหลงทางตาทำงานได้อย่างเดียวคือไปดู หนะลงทางหูทำงานได้อย่างเดียวคือไปฟังแต่หลงทางใจทำงานได้สารพัดเลยเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เนี่ยอย่างนี้หลงทางใจหัดรู้สึกไปนะหัดรู้ไปเรื่อยๆสงสัยรู้ไหมสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ใช่คิดเอานะหัดรู้รู้ทันความรู้สึกของเรานะเห็นไม้มการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ละคนบางคนมาบอกว่าโอ๊ยรู้ความรู้สึกยากเหลือเกิน นะผมทําไม่ได้หรือฉันทําไม่ได้หรอกยากถต่เมารู้จักโกรธไหมรู้จักรู้จักโลภไหมรู้จักรู้จักเกลียดไหมรู้จักรักไหมรู้จักกลัวไหมนะรู้จักอิจฉาไหมรู้จักทุกอย่างเลยแล้วบอกว่ารู้ไม่ได้รู้ไม่เป็นนะคนทั่วๆไปเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโกรธเป็นยังไงรักเป็นยังไงสุขเป็นยังไงทุกเป็นไงรู้อยู่แล้วนะผู้ปฏิบัติต่างกัชาวบ้านทั่วทไปเท่านี้เดียวเองอ่ะ ชาว บ, บ้านทั่วไปเขาโกรธไปนานๆแล้วเขาเพิ่งจะรู้เนี่จโกรธจนหายโกรธแล้วเพิ่งจะนึกได้ว่าอาเมื่อกวันไปโกรธของเรานักปฏิบัติต่างกับเขานิดเดียวมันโกรธโกรธอยู่อ้ารู้ว่าอ้าวน่าโกรธแล้วนะไม่ใช่หายไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะรู้แน่ต่างกับเขานิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นเราแต่ละคนเราสามารถรู้ความรู้สึกของตัวเองได้อยู่แล้วนะรู้จักกลัวไหม เคยกลัวไหมกลัวรู้จักอิดชามไหมเคยอิดชามไหมเออเคยนะเคยถามนะถามมาถึงผู้ชายรู้จักกลัวไหมบอกเลยผมกลัวที่สุดเลยกลัวเมียนะเห็นมันแล้วกลัวกลัวไม่รู้เป็นไงบอกเออต่อไปนี้นะพอกลัวเมียปุ๊บรู้เลยนะว่ากลัวนี่ปฏิบัติแล้วเห็นไหมพอรู้ลงไปเลยเห็นความกลัวเมื่อกี้ไม่กลัวพอคิดเห็นเมียเดินมาแล้วกลัวแล้วนี่รู้ว่ากลัวนี่ปฏิบัตินะ เมื่อการรู้ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็รู้ได้นะเพราะงั้นอย่าไปคิดว่าวิปัสสนานี i ยากยากนะความจริงง่ายๆเลยนะเพียงแต่ว่าคนทั่วๆไปเขารู้สึกช้านะผู้ปฏิบัติก็รู้สึกให้มันไวหน่อยนะเนี่ยเมื่อกี้แอบไปดูแล้วเหบบ็นไหมใจไหลแวบไปใจไหลแวบรู้ว่าไหลแว บ, บไป ไม่ต้องไม่ต้องนะคือพอดูเสร็จแล้วไม่ต้องทำงานต่อนี่หลวงพ่อบอกไว้แล้วนะหละักข้อที่สามอะ่ะพอดูเสร็จแล้วก็เสร็จกันตรงนั้นไม่ต้องไปทำอะไรต่อไม่ต้องบรรยายนะพวกเราบางคนชอบภาคนะทำตัวแบบนักภาคภาพยนตร์นะอ้าโกรธแล้วนะบางทีทำตัวเป็นนั่งอบรมสั่งสอนด้วยรู้สึกไหมอย่าโกรธเลยโกรธไม่ดีหรอกนะ ไปโกรธเขาเลยอีกหน่อยเขาก็ตายตขอให้มันตายเร็วอีก่สักหน่อย น, นี่มันอย่างเงี้ยมันชอบภาคนะันแล้วบางทีก็อบรมสั่งสอนตัวเองไม่ต้องไปทําอะไรหรอกเสียเวลาเสียเสียดายนะหมดแต่ไปตั้งคิดเนี่ยลืมรู้สึกละลืมรู้ความรู้สึกละเรียกว่าไม่ยอมทํากันบ้านละเมื่อไรจะเก่งเอาแต่คิดเอารู้สึกเรื่อยเรืไม่ว่าง่าย ส่วนมากเราไปคิดว่าการปฏิบัตินะ่ะยากยากเคยเห็นแต่เขานั่งหลับตาเขาไปเดินโต้ลุ่งนะรู้สึกว่าการปฏิบัตินี่มันยากยากต้องอดข้าวเย็นด้วยนะหลวงพ่อจะบอกให้เลยหลวงพ่อเพิ่งอดข้าวเย็นครั้งครั้งแร ก, กวันที่บวชเนี่ยถือศีลก็ศีลห้านะได้ถือศีลนะมากมายอะไรศีลนะห้าพอแล้วสําหรับฆราวาสนะ ทําตัวสบายๆอย่าไปวาดภาพนักปฏิบัติคือผู้เคร่งเครียดผู้หนีโลกไม่ใช่นะนักปฏิบัติเนี่ยต้องหันมาเผชิญกับโลกให้ได้เลยลืมตามาดูโลกเลยนะเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นเห็นขึ้นมาแล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็ล้มไปเห็นหน้าคนไข้คนนี้โอ้อคนนี้จูจ้จี้เห็นหน้ามันแล้วเบื่อรู้ว่าเบื่อเลยนะเพราะฉะนัะ้นความรู้สึกแต่และคนรู้สึกได้อยู่แล้ว เอาเรียนมาพอสมควรแล้วนะนะใครอยากกลับบ้านก็เชิญนะไ ม, ไม่เป็นไรไม่ต้องอยู่ตลอดก็ได้เรียนนิดนิดหน่อยหนยก็พอธรนะามมาเวลาไปฟังครูบาอาจารย์เทศฟังแป๊บแป๊อะ่ะไม่ฟังนานหรอกนะฟังนานแล้วเราขี้เกียจทำกันบ้านเรามีอะไรเราถามเอาลูกเดียวคุณพิชาเป็นไง รู้สึกไหมว่าใจเราเบาเบาขึ้นเบานะต้องเบาดีแล้วนะรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกตัวได้ถี่ขึ้นรู้ได้ง่ายรู้ได้เร็วนเนีนะ่ยเราค่อยค่อยดูเรื่อยแต่อไปพอสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆนะจิตใจมันจะค่อยๆเหมือนกันมันถอดตัวเองออกนะถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ ใจมันก็กว้างขวางไม่มีขอบมีเขตอะไรสบายวันนี้เห็นหลวงตากระนึกนะโอ้สบายน่ารักรู้จักใจลอยไหมเออนะดีเก่งเห็นไหมรู้จักหนึ่งงานแล้วใจลอยเนี่ยหัดรู้จักความรู้สึกต่างๆใน ใ, นใจเรานะหัดรู้สึกไปเรื่อยทำความรู้จักไปวันละอย่างสองอย่างเดี๋ยวก็เก่งไปเองแหละ ตอนหลวงพ่อไปเรียนมาจากหลวงปู่ดูลนะยากลําบากกว่าพวกเราเยอะเลยคือหลวงปู่ดูลไม่เคยช่วยทํากันบ้านเลยะตั้งโจทย์แต่ละข้อนี้นะมาหาหินเลยแบบโหสดสุดๆนะอย่างไปบอกท่านผมเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาจิตไม่มีไปมีมาหรอกอ้าวเราก็งงสิเราเห็นจิตเราวิ่งไปวิ่งมา ไม่ยอมบอกอะไรต่อเลยบอกทีแล้ประโยคให้ไปทำเอาเองบางอย่างทำตั้งสิบปีบางอย่างยี่สิบปีเนะ่ยย่งบอกอย่าส่างจิตออกนอกเราก็นึกว่าอ๋อจิตออกนอกคือจิตหลงไปดูหลงไปฟังเนี่ยหลงออกไปข้างนอกงั้นถ้าจะไม่ให้ออกนอกเราต้องเอาเข้าข้างในรูซี่กว่าจะหายโง่เนาะเข้าข้างในก็หลงอีกไปเจอหลวงปู่สิมถูกท่านแซวอาโอ้ยเข้าไปทาอะไรข้างใน อยู่นอกๆ น, กนี่ฟังแล้วงงเลยนะองหนึ่งบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราส่งเข้าข้างในนะหลวงปู่สิมว่าหลงเข้าไปข้างไหนกว่าจะรู้ว่าคำว่าไม่ส่งจิตออกนอกก็คืออยยบเผลอไปนะอย่บใจลอยไปทางทวารทั้งหกนะพอเราใจเราไม่ไปไหนทางทวารทั้งหกเรานั่งดูใจของเราอยู่อย่างนี้คิดว่าไม่ออกนอกแล้วนะอยู่มาวันหนึ่งเกิดมองเห็นเอะเราเกิดความจงใจไปดูจิตเราเนี่ย นะเราส่งจิตใจของเราไปดูจิตอีกเนะี่ยในออกนอกอีกแล้วนะโอกว่าจะเข้าใจคำว่าออกนอกนะนานมากเลยมันละเอียดมากท่หลวงปู่ไม่ช่วยทำกันบ้านเลยสนะอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้มันมากนะให้ช่วยตนเองให้คุณพัฒนาจิตเป็นไงนะดูออกไหมดีละดีละนะแค่นั้นอนะ่ะแค่รู้นะนะ รู้จักเผลอไปคิดไหมเวลาเราเผลอไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนะแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองตรงนี้ดูออกไหมเรารู้เรื่องที่คิดนะคิดอะไรรู้หมดเลยแต่ลืมตัวเองนะอย่างนี้เรียกว่าหลงเหมือนกันเ น, นี่ยเนี่ยหลงแบบเนี้ยหลงไปรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจตัวเองรู้จักใจลอยไหมดูออกหรือยัง รื้อย่างว่าวันหนึ่งใจลอยเยอะแยะเลยเห็นไหมเพราะฉนั้นใจลอยนี่นะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งนะไม่ใช่เพาะของคุณหรอกนะคนทั้งโลกเลยคนทั้งโลกนี่นะใจลอยทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยตั้งแต่เกิดจนตายด้วยตายแล้วตายอีกก็ใจลอยอยู่อย่างนั้นเลยไม่เคยรู้ทันใจตัวเองนั้นเราหัดรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆจะเจออะไรที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยเนี่ยหนีไปคิดแล้วทราบไหม รู้เรื่องที่คิดแต่ลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่นคยค่อยๆหัดกันหัดดูไปบาอย่างสองอย่างนะอยู่บ้านก็หัดดูของเราเองเนี่ยป้อมรู้จักไหมเราส่งใจไปดูรู้สึกไหมเออนะเ น, นี่ยรู้ทันนะนี่หลงอีกแล้วนะส่งใจไปดูก็หลงเหมือนกันค่อยๆศึกษาไปอย่าตั้งใจทำนะตั้งใจปฏิบัติก็ใช้ไม่ได้นะ เมื่อวานผมไม่ได้มาใช่ไหมผมเมื่อวานหลวงพ่อเล่าให้พวกที่มาเนีฟังบอกมีพระสูตรอยู่อันหนึ่งเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอเะได้ยังไงข้ามห่วงกิเลส่ะห่วงตัณหาเนี่ยได้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกเราข้ามได้เพราะเราไม่พักไม่พักอะแล้วเราก็ไม่เพียรด้วยเมื่อไร่เราพักเราจะจมลง คือพักหมายถึงเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเวลาเราเพียรเราเวลาเราอยากปฏิบัติรู้สึกไหมเกิดความเพียรเกิดการทํางานทางใจตั้งเยอะแยนะหนึ่งเสียเวลาหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีนิดเดียวนะผมจิตใจของเรามันแอบไปทําอะไรรู้ว่ามันแอบไปทํางานมันแอบไปทําอะไรก็รู้ทันมันไปเรื่อยๆตามรู้มันไปให้มันหลงไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลัง อย่าไปกลัวมันหลงแล้วนั่งเฝ้ามันไวน้ตรงนี้เข้าใจไหมว่าอย่าไปกลัวมันจะหลงไปแล้วไปเฝ้ามันนะตรงนี้ผมเข้าใจไหมอไม่เฝ้าอยากหลงก็ให้มันหลงไปหลงแล้วก็ค่อยรู้ไปรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปละอ้าวคุณนันชื่ออะไรเนาะแฟนเฮยเซงเออเห็นเห็นไม่เป็นไรอยู่นั่นแหละ อย่าใจลอยนะแล้วอย่ากแกล้งทําอย่าไปแกล้งทําใจให้นิ่งๆปนะล่อยใจให้มันทํางานไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทางใจคอยรู้ไปนะดีใจเสียใจน้อยใจนะสารพัดอะไรที่ใจใจรู้ไวนะ้คนโบราณเก่งนะบัญยัติศับเกี่ยวกับใจไว้เยอะเลยนะดีใจเสียใจลุ่มใจกังวลใจนะร่าเริงใจอะไรเงี้ย คนไทยจะเก่งวันนี้ที่เจ้าคุณโพท่านพูดนะคุณน้อยว่าภาษาฝรั่งอะ่ะมันไม่ค่อยสื่อมันไม่ค่อยมีภาษาที่แสดงความรู้สึกเยอะเท่าคนไทยคนไทยละเอียดอ่อนในด้านความรู้สึกแต่มาเคย ล, ลองรวมๆเล่นๆ่น่อนะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกสองสามร้อยตัวนะอย่างคาว่ากลัวนะวิตกนยะรักเกลียดนะ อะต่ออะไรเนี่ยความรู้สึกนานาชนิดเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากในคนไทยแจกแจงได้ละเอียดยิบเลยเหมาะสําหรับนักดูจิตจริงๆนะของฝรั่งมันโกรธมันก็โกรธอย่างเดียวอะไรเงี้ยขางเรามีดีกรีด้วยขัดใจใช่ไหมขัดใจก็โกรธที่เหมือนกันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเด็กมีขยายอีกก็ไม่เท่ากันอีกนะคนไทยจะเก่งมากเลยเราะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรมากตอนนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนะก็คอยรู้ไปเรื่อยๆ เดีนะ๋ยวก็ทำเป็นรู้จักใจลอยไหมเก่งนะเนี่ยพอสังเกตไหมว่าพอหลวงพ่อบอกเนะี่ยคล้ายๆเราตื่นขึ้นมาคล้ายๆเราเกิดความรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาความรู้สึกของเราชัดๆขึ้นมานะจิตใจของเราโล่งๆว่างๆสว่างๆไม่มัวๆ ม, วมอมๆนั้นะจริงๆถ้าเรารู้สึกตัวปุ๊บจิตเราสว่างสวัยขึ้นมามีความสุขขึ้นมาทันทีเลย สังเกตไหมตอนนี้ไม่สุกแล้วตอนนี้เริ่มซึมแล้วนะรู้สึกไหมเออหลลเห็นไมฝาเรารู้ทันเนี่ยเห็นมมันมันร่าเริงขึ้นมานะนจิตเป็นกุศลเมื่อไหร่ก็ร่าเริงขึ้นมามานั้นอ้าวใครอยากถามถามนะอย่าให้เสียโอกาสนะบางคนเขาอยากเรียนนะเขาอุตส่าห์บินมาจากอเมริกาเลยนะ ได้ผลกับคนไข้เหร อ, นะอต้องดูด้วยความเมตตาหน่อยนะแต่ว่าต้องระวังนะดูด้วยความเมตตาการุณาเนี่ยพร้อมจะพลิกเป็นโทสะได้เพราะว่าความการุณากับโทสะเนี่ยใกล้เคียงกันอย่างเราเห็นคนไข้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจเขาน ะ, ะเห็นอกเห็นใจสักพักหนึ่งนะใจของเราเศร้าหมองเอ ง, องนี่เรียกว่าจิตมีโทสะ งั้นเราก็คอยสังเกตใจของเราไว้แต่ว่าจริงๆถ้าปฏิบัติเป็นนะหัดดูจิตดูใจตัวเองเป็นนะไม่ต้องถามหรอกเย้เจือง น, นะความอ่อนโยนในจิตใจมันเกิดขึ้นเองนะเพราะจิตใจที่กล้าวกล้าวราวแข็งกระด้างอะไรนะี้มันอกุศล น, นะนะถ้าหัดเราหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองไปเนี่ยจิตใจมันอ่อนโยนนุ่มนวลมีความเมตตากรุณามันเกิดเอง แล้วมันมีปัญญาตอบอุเบกขาได้ด้วยรู้รักษาก็ไม่ได้นะตายแน่ๆแนะ้ใช้เป็นกลางเขาเป็นไปนตามกรรมของเขาที่ต้องเป็นอย่างนี้งั้นการปฏิบัติไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรนะหัดสังเกตจิตใจของเราไว้เนี๋ยมันดีเองแหละนะยกเป็นอาชีพโจร น, นะไม้คุณวัฒนาจิตแอบไปทำอะไรสรางไหม เนี่ยผมเหลือไปแล้วดูออกไหมนะคุณเมียวคุณเมียวลดความจงใจลงนิดนึงนะยังตั้งใจอยู่ดูออกไหมถ้าตั้งใจแล้วมันจะแข็งแข็งขึ้นมานะการปฏิบัติไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกหนะลวงปู่มั่นถึงจะสอนเลยมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียร ง, งั้นหัดมีสติเรื่อยๆยืนเดินนั่งนอน กินดืม่มทำพูดคิดอะไรเนี่ยกระดุกกระดิกนะเหลียวซ้ายแลกว่าคอยรู้สึกไปเรื่อยๆมีสติเรื่อยๆผมพยักหน้าแต่เผลอรู้สึกไหมเออนี่ใช้ได้สังเกตไหมพอเรารู้ทันจิตเราเหมือนสว่างขึ้นมานะเนี่ยสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานเกิดเองเลยไม่ต้องแกล้งทำเอาใครจะถามอะไรเชิญเนาะมีเวลาน้อย ความจริงแล้วคาถามทั้งหลายไม่มีความจำเป็นหรอกนะแค่สงสัยสงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยปฏิบัติเป็นแล้วอยากจะถามรู้ว่าอยากจะถามเนะี่ยเห็นความอยากเกิดขึ้นในใจนี่ปฏิบัติเป็นแล้วง่ายมากเลยนะค่อยอ่านใจของเราไปเท่านั้นเองดีละดีละเออพี่ชาดีละคุณพัฒนานะอย่าไปถลําลงไปดูมัน ถลำลงไปรู้ว่าถลำลงไปอย่าตั้งใจนะรู้สึกไหมตั้งใจอย่าไปเกล็งเหมือนขึ้นมาทำตัวสบายๆนะคุณน้อยจิตหนีไปเนอะรู้จักเผลอไหมรู้จักเผลอเนี่ยนะวพิเศษที่สุดเลยรู้ไหมเออหัดรู้จักตัวเดียวก็พอแล้วเพราะอะไรรู้ไหม กิเลสตัวอื่นๆนะตามหลังเผลอมางนั้นถ้าเผลอแล้วรู้ปั๊บไม่มีกิเลสหรอกนะกิเลสตัวอื่นๆนะราคาโทษาอะไรตามหลังเผลอมาอีกทีนึงนะตอนนี้เผลอละใช่ไหมอย่างนี้เผลอไปคิดนะเอาไม่เป็นไรละเอียดไปเดี๋ยวงงเมื่อกี้ทังเกตไหมเราสนใจไปทางโน้อนอห็นไหมรู้สึกไหมอพอเราหันไปดูเขาปุ๊บเราลืมตัวเราเองนะ ใจหนีแวบแวบรู้สึกไหมพยายามไปสังเกตมันนะรู้สึกไหมแม่เรียนหลายตัวงงฮะเอาตัวเดียวพอเดี๋ยวเผลอแล้วไม่รู้เนาะ <c oughs> ตัวอื่นมันตามหลังเผลอมันถ้าพยายามเรียนมากไปเดี๋ยวจะตั้งใจเกินไปถ้าตั้งใจมากไปแล้วมีปัญหาปฏิบัติอย่าตั้งใจเยอะนะผมทำเล่นเล่นทเล่นได้ของจริงทาจริงๆได้ของเล่น ถ้าทํามากๆนะกลายเป็นทําสมถะทุกทีเนาะแตนเนาะคิดสนุกไหมผมเนี่ยม no. ันน mm ี hmm? ้ไปคิดรั้วหนี่ไปคิดนะค่อยๆหัดดูอย่างนี้หัดสังเกตไปนะอย่าตั้งใจนะอย่าตั้งใจเยอะทําเล่นๆทำเล่นทําให้มันสบายๆใช้ชีวิตที่สบายๆเลยรักษาสีลห้าไว้ก่อนนะแล้วก็ดํารงชีวิตตามปกติเลย ตามองเห็นความรู้สึกเกิดหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดอะไรเงี้ยใจเราแอบไปทํางานมีความรู้สึกอะไรเกิดรู้ไปทําเล่นๆทําง่ายๆทําทสบายๆนะหัดรู้จักสภาวะไปวันละอย่างสองอย่างนะไม่ต้องขยันจะรู้ทีเดียวเยอะๆนะถ้าอยากรู้เราไปพยายามดูมันจะไม่เจออะไรเลยนะหัดดูไปเพิ่มวันละตัวสองตัวไปนะตั้งใจขึ้นมาแล้ทราบไหม มันเกร็งขึ้นมานะเกร็งปุ๊บขึ้นมามันจะแน่นๆน่นพอหรื อ, อยังวันนี้พอไหมนะปนให้อัตมาลม